ไปตามอำนาจของกิเลสนั้นมามากต่อมากแล้วที่ล่วงแล้วมาน่มันนับชาติไม่ทวนเลย <c oughs> จนมาถึงปัจจุบนันนี้ถ้าหากว่าเราไม่น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุเทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจนี่นะจิตนี้มันก็จะไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่ได้เลย <c oughs> มันเคย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 นี่แหละความโกรธอันนี้มันจะพาให้บุคคลผู้นั้นทําชั่วนะอืถ้าบุคคลได้ไม่เห็นโทษของมันไม่ยับยัง้งมันแล้วแน่นอนเลยมันต้องบังคับให้ทําชั่วด้วยกายวาจาอย่างใดอย่างหนึง่งก็หมายถึงว่าเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละเพืพูดง่ายๆบางคนก็ทําตนเป็นคนเจ้าความคิด มาแต่ก่อนนู่นคิดไม่มีสถานีไม่มีจุดหมายปลายทาง่าจะนึกได้แล้วก็คิดไปวิจารณ์ไปไม่ทราบอกดีหรือชั่วไม่ว่าเจอเรื่องดีก็คิดดีไปเจอเรื่องชั่วก็คิดชั่วไปปรุงแต่งความชั่วนะมันมีกำลังมากขึ้นจนมันได้ลงมือทำความชั่วนั้นโดยกายด้วยวาจา ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นความชั่วเลยนี่แหละเรียก ว, ว่าบุคคลผู้ถูกความหลงครอบงา อ, อ่ะยึดเอาความหลงเป็นเพื่อนเดินทางท่องเที่ยวไปในสงสาร น, นี่ก็เป็นคนหลงอยู่นั้นแหละถ้าไม่เห็นโทษของมันนะถ้าไม่ถ้าวินิจฉัยตัวเองไม่ได้นะถ้าผูใ้ใดวินิจฉัยตัวเองได้ว่า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 มันก็จะได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาหายสงสัยในเรื่องนั้นนี่แหละ ว, วิธีแก้ความหลงก็เป็นอย่างนี้แหละ <Okay. S 1> ถ้าว่าแก้แบบใกล้ชิดเข้าจริงๆเนะี่ยก็ได้แก่การเจริญอนาปานาสตินี่แลหละเ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนะี่มาทำความรู้กายรู้จิตตัวเอง ให้ที่เข้าไปโดยลำดับเมือม่อเมื่อทำความรู้กายรู้จิตตัวเองมากไปโดยลำดับอย่างนี้ไอ้ความหลงความเพิดเพลินมัวมอไปโดยไม่รู้ตัวมันก็ห่างออกไปเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อมันมารู้ตัวนี่อยู่เสมอแล้วมันก็รู้ได้แบบนี้นะเรื่องที่ตนยึดตนนถือโมนั้นไม่เป็นสารประโยชน์อะไร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 เรื่องที่ตนกำลังจะพูดอยู่นี่นะมันผิดหรือถูกดีหรือชั่วไม่ได้ไม่ได้วิจารณ์ดูเลยเนี่ยเรียว่าคนขาดปัญญาขาดสัมปัตชญญั้นยะนันก็เป็นอย่างนี้ก็หลงไปก็ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจไปลักษณะของความหลงเป็นอย่างนั้น ทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจโหดทูแบนี้บางคราวบบฟุ้งซ่านเกินขอบเขตไปสงบลงไม่ได้เลยเอา้าบางคราวบบโหดทูท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่การงานชอบแต่อยากจะหลับแต่นอนท่าเดียว <c oughs> แล้วบางทีก็ชอบสงสัยลังเล เรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรมูนี่มันเป็นลักษณะความหลงทั้งนั้นเลยถ้าพูดถึงลักษณะนะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทุกคนย่อมมีแน่นอนแหละความหลงนี่นะต่างแ็นมากและน้อยกั่วกันเท่านั้นเละ <c oughs> ผู้ใดเป็นผู้ใดศึกษาเราเรียนมาได้สดัตวตรับฟังมามาก ได้สมาคมกับนักปราดบัณฑิตบ่อยๆอย่างนั้นเน่ยผู้นั้นก็จะบรรเทาความหลงออกจา ก, กจิตใจได้ทำให้ใจเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมามีจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วเมื่อใจเบิกบานแล้วมันก็ไม่โหดผูแล้วนี้น ะ, ะไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอต่อหน้าที่การงาน เ <c oughs> นี่ยเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะให้เข้าใจการที่เราจะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะั้นมันก็อยู่ที่เรามาปรับปรุปรงจิตใจนี่ให้มันเบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีอย่าให้มันเบื่อต่อความดีอย่างนั้นเมื่อเรายินดีพอใจในบุญกุศลคุณงามความดีอยู่อย่างนี้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 เพราะมันได้เงินมากคนที่มีทุนน้อยอ จ, จะไปลงทุนทำการค้าอะไรก็พอฝืดเครื่องเป็นไปได้ยากอย่างนี้แหละพอรำคาญในที่สุดมันก็ทำให้ท้อใจเลยเพอมีทุนน้อยนี้อันนี้แหละควรพากันเข้าใจ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 อย่าให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามเรื่องราวต่างๆในโลกอันนี้นะเพราะว่าเรื่องต่างๆในโลกนี้มันไม่มีสิ้นสุดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วประดับไปเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาแทนถ้าผู้ใดปล่อยใจให้วิ่งไปตามเรื่องราวของโลกอันนี้นะแน่นอนแหละผู้นั้นต้องเป็นโรคประสาทจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัว ไม่มีกำลังเลยเพราะว่าใจนี้ถ้าปล่อยให้มันคิดมากๆเข้าไปแล้วคิดไปคิดไปแล้วก็เสียใจบ้างดีใจบ้างคับแค้นใจบ้างโกรธบ้างหมูอนี้นะถ้าเป็นไปอยู่นี่แหละคิดนี่ไม่มีกำลังแล้ววะนี้ไม่มีกำลังที่จะทำความดีได้เลยให้ระวัง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 โยคาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความประกอบหมายเขาว่าเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงเข้าเรากําหนดเหตุด้านพิจารณามันเออย่าไปปล่อยให้เหตุอย่าไปปล่อยให้จิตมันหลงยึดเอาเหตุอันนั้นมาเอทําความเสียใจดีใจครับแค้นใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นอ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 เพราะฉะนั้นแหะคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะจึงได้ทรงแสดงทำอันเป็นเครื่องเทียบไว้ว่าสันธิธโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอมอันนี้เรียกว่าเป็นบทแห่งพระธรรมวคุณสําหรับเป็นเครื่องตัดสินว่าอันพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะั้นทำอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตน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 ต่างๆนั้นมาเป็นความเมตตาปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันไปเลยไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนี่บ้านี้ก็หมายความว่ากับเมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นในใจแล้วบ้านี้กรุณาความเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นมันก็เกิดขึ้น <c oughs> แต่สำหรับผู้อื่นนั่นอ่ะเราก็ช่วยเขาเท่าที่เราจะช่วยได้เท่านั้นเลย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 มันก็ต้องวางอุเบกขาลงเป็นคุณธรรมข้อสุดท้ายเลย อ, อย่างนั้นตนเองถึงไม่มัวหมอง อ, อันนี้แหละที่ว่าน้อมพระธรรมเข้ามาสู่จิตใจทำใจของตนให้เป็นไปตามลักษณะแห่งคุณธรรมนั้นๆอ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 ถ้าไปถือมัน่นความผิดหวังอันนั้นไว้นะ่ะมันก็สร้างบาปอากุศลขึ้นในตนนะเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วมันถึงได้ปล่อยได้วางนันเลยถึงไม่ยึดถือเอาไว้เรื่องผิดหวังเมื่อความผิดหวังมาถึงเข้าแล้วก็มีสติห้ามจิตแล้วก็มีปัญญาสอนจิตปลอบจิตของตนให้มันได้อถ้าเวลาที่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 พอเราภาวนาพี่นายรู้ร่วงหน้าไว้อย่เนี้เมื่อเวลามันเสื่อมลงไปเราก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ร่วงหน้าแล้วรู้ว่านี่เป็นกฎธรรมดาของโลกเมื่อมีลาบแล้วไปไ ป, ไปมันก็ลาบแล้วมันก็เสื่อมไปไม่มีใครที่จะไม่เสื่อมจากลาบในโลกอันนี้นะท่านผู้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าผู้มีอำนาจบาดใจ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 มันก็จะไม่สงสัยหลังเลเลยอก็จะตัดสินใจปล่อยวางได้ถึงเวลาปล่อยวางก็ปล่อยวางมันลงได้เจ็บอย่างเวลามันเสื่อมมันผิดหวังอย่างว่านี่แหละเวลามันสมหวังมาก็ไม่ลื่มใจไม่เพลิดเพลินไปตามเรื่องที่สมหวังนั่นเกินประมาณรู้จักยับยั้งชั่งใจไว้ใช้สติปัญญาสอนใจของตน ว่าสิ่งที่ตนได้มานะั้นมันก็ไม่เที่ยงไปไปมันก็เสื่อมไปหมดไปเหมือนกันแหละเงินทองเข้าของเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆพวกนี้นะมันจะยั่งยืนอยู่ตลอดไปหาม่ได้ถ้าเราใช้สติปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้นั่นแหละใจมันรู้ได้แล้วมันก็ไม่เพิดเพินนะได้มามากเท่าไรมันก็เฉยๆไปอย่างนั้นแหละใจก็เป็นปกติอยู่งั้น ถ้าทำใจได้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้รู้เท่าโลกกระทำไม่วันไว้ไปตามโลกกระทำคือว่าความมีลาบมียศ ส, ส ร, รเสริญเยินยอทั้งๆพวกนี้พระพุธทธเจ้าตรัสว่าเป็นรำประจําโลกหมายเขามาอย่างนั้นที่ท่านเรียกว่าโลกกระทำนั่นนะทำประจําโลก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 มันเป็นนามมาทำมันเมื่อเราน้อมเข้ามาให้ถึงกิด ถ, ถ, ถึงใจแล้วมันก็ติดสอยห้อยตามจิตใจนี่อุปการะจิตใจนี่ให้สงบให้เป็นสุขให้นักแน่นไม่ให้หลงไหลไปทำชั่วด้วยกายวาจาใจนี่นะเรื่องบุญเรื่องคุณอันดีงามนี่นะ่ะให้ทำความพอใจไว้ให้เต็มที่เลยทีเดียวเ <c oughs> พราะชีวิตของเรานี่